วันนี้ผมได้เดินทางมาพบกับพวกท่านผู้ที่มีความรักใครในการปฏิบัติธรรมในนิมนต์ให้ผมมาพบกับพวกท่านเมื่อผมได้มาพบกับพวกท่านผู้มีความรักใครในการประพฤติปฏิบัติธรรมทางพุทธศาสนานั้น คำว่ามีความลักไก่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนานั้นเราก็ต้องมาพูดกันเรื่องความเห็นความเห็นนั้นเราก็พูดกันเรื่องสมาทิฐิหรือทิฏฐิคําว่าสมาทิธิกับทิฏฐินี้เราจะจับที่ไหนเป็นหลักการก็ยังไม่แน่นอน คำว่าสมาธิก็หมายถึงความเห็นถูกต้องหรือตรงต่อคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าวัตถิธีนั้นเป็นเพียงความเห็นแต่ละบุคคลดังนั้นคําว่าทิตทีเป็นความเห็นแต่ละบุคคลนั้นมันก็ไม่เหมือ น, นกันถ้าเป็นไม่สาทิตทีนั้นจะบอกความเห็นผิดอันความเห็นผิดนั้นอาจจะ ผิดบุคคล น, นี้ไปถูกต้องกับบุคคล น, นั้นก็ได้หรือว่าอาจจะถูกต้องกับบุคคล น, นี้ไปผิดกับบุคคล น, นั้นก็ได้นี่ว่าเป็นมิตษาธิตฐิคคำว่ามิตษาธิตผินั้นหมายถึงความเห็นผิดไปจากคำสอนของพระพุทธเจ้าคำว่าทิฏฐินั้นหมายถึงความเห็นแต่ละบุคคลอาจจะไม่เหมือนกัน แต่อาจจะตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้คำว่าสมาธินั้นก็หมายถึงว่าความเห็นอันถูกต้องหรือตรงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้เมื่อพูดถึงทิฏฐิแล้วก็มาพูดกันเรื่องพุทธศาสนาที่นี้ ผมจะนํามาพูดนี่ก็พูดตามความคิดเห็นและความเข้าใจที่ผมมีอย่างนี้และเข้าใจอย่างนี้แต่ก่อนนั้นผมก็รู้พุทธศาสนานี้คือรู้มากับพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือครูบาอาจารย์สอนให้มาก็จําได้อ น, นั้นเป็นเพียงรู้จํา ดังนั้นการศึกษานั้นต้องรู้จำรู้จำแล้วก็ต้องรู้จักคำว่ารู้จักกับรู้จำนี่มันมันไม่เหมือนกันแต่ท้ายคือกันคำว่ารู้จักว่าสิ่งนั้นเป็นอันนั้นสิ่งนี้เป็นอันนี้อันนั้นเรียงรู้จักแต่รู้จำนั้นจำมาเสยๆแต่ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอันนี้ยังไม่ใช่เป็นความเห็นอย่างเหยนแจ้ง หรือความเห็นอย่างที่ถูกต้องคาว่าความรู้จำรู้จักรู้แจ้งรู้จริงมันมีสี่รู้ด้วยกันรู้แจ้งรู้จริงคาว่ารู้แจ้งรู้จริงนี่รู้โดยทัศนะจิตใจถอดมาจากจิตจักใจจริงจริงจิตใจรู้จิตใจเห็นจิตใจสัมผัส อันนั้นวัดรูแจ้งดูจริงโดยไม่พึ่งพาอาศัยใครที่ไหนเลยแต่มันก็ตรงเข้ากับคำสอนของพระพุทธเจ้าจิงว่าเป็นส ม, มาธิติใช้ได้ตัวอย่างที่เราปฏิบัติธรรมเพราะว่าพวกเราก็เป็นผู้ใครรือคิดถึงรึกลักกในการปฏิบัติธรรม ก็ต้องพูดเรื่องการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนั้นบางคนนั่งสมาธิลงไปแล้วเห็นสีแสงผีเทวดานรกสวรรค์อันนั้นก็เป็นความเห็นทิฏฐิทิฏฐิแล้วความเห็นแต่ว่าถูกหรือผิดนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่บุคคลที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นก็มันเป็นไปไม่ได้ อันนั้นก็อาจจะถูกต้องเพราะว่าบุคคลนั้นยังไม่เห็นยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจหรือบางทีบุคคลที่เห็นสีแสงผีทเท ว, วดานรกสวรรค์เห็นพระพุทธเจ้านั้นคนนั้นอาจจะเข้าใจคึกคักเอาเองว่าตัวลู้ธรรมะเห็นธรรมะเข้าใจธรรมะอย่างพระพุเจ้าว่าเห็นอย่างแจ่มแจ้งจะเข้าใจอย่างนั้นก็ เป็นได้แต่ความจริงแล้วสิ่งเหล่านั้นตามอุดมการณ์ของผมเองนี่ว่าถูกน้อยไม่ถูกมากถ้าพูดถึงว่าถูกแล้วก็เพียงจากสมเปอร์เซนหรือสี่เปอร์เซน์เท่านั้นยังไม่เป็นความเห็นที่ถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเมื่อเรา ออกจากสมาธิแล้วมองอะไรไม่เห็นเลยหรือเราลืมตาขึ้นมองก็ไม่เห็นจึงว่าไม่ไม่ถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามากเท่าไหร่นะักเมื่อ <Yeah> พูดเช่นนี้ผู้มีปัญญาสามารถที่จะรู้ได้ทันทีเพราะว่าในขณะระยะเมื่อเจ้าท้ายสิทธธรรมอุมาร ที่เราเคารพนับถือว่าเป็นพระเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกเมื่อท่านเกิดมาจากท้องของมันดาแล้วก็ยังมาพบเอากับพวกถามได้ทําบุญให้ทานรักษาศีลอันนี้ก็มีการสร้างคุณบิดามามเอาไว้แล้วเรื่องนี้จากนั้นมาท่านก็ ไม่ได้พูดถึงการปกครองบ้านเมืองไม่ต้องพูดก็ได้เพราะว่าสมัยนี้การปกครองบ้านเมืองนั้นก็ทุกคนก็ต้องรู้อาศัยสติปัญญาความคิดความเห็นอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึง่งเมื่อท่านมาบวชวันนี้มาศึกษาเล่าเรียนอยู่กับอาลารดาบทอุทกาดาบทสองอาจารย์นี้ เมื่อเรียนกับอาจารย์คนแรกนั้นได้สมาบัติเจ็ดคำว่าสมาบัติเจ็นั้นเราเคยได้ยินในตำรับตำลาและโรูบาอาจารย์ก็เคยพูดเอาไว้ว่ารูปสารสีู่ปสารสามเรียกว่าสมาบัติเจ็เมื่อได้สมาบัติเจ็แล้วสิ่งต่างๆคือความทุกข์เกิดขึ้นมาจากภายในจิตใจนั้น ยังร้อนหลนวุ่นวายอยู่ยังมีอยู่ในจิตในใจเมื่อเห็นพวกปัญจวคีทั้งห้าผู้ให้ความร่วมมืออุปถรัรมภ์ทำอะไรเห็นด้วยตาบางครั้งบางข่าวก็ไม่พอใจพวกปัญจวคีทั้งห้าผู้อะไรได้ยินด้วยหูบางครั้งบางข่าวก็ไม่พอใจนอกจากนั้นบางครั้งบางข่าวนั่งอยู่หรือเข้าสารแล้ว สองบออไปออกจากสานแล้วก็คิดถึงพวกลาหุนหรือผู้เป็นสาญาเรียกว่าธัรยาคือนางพินพาก็ยังมีอยู่คึกคักขึ้นภายในใจิตใจนี้แสดงว่าความคุกอันนี้ยังบีบคั้นอยอกตํำอยู่ภายในใจิตใจเมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์ลาจากอาจารย์คนนั้นไปเรียน ต่อไปอาจารย์ปุณฑิตสองเนี่ยว่าได้สมาบัตแปดได้สมาบัต8แ8ดเหล่านี้เราเขาเรียกว่าสานสมาบัตแ8เราเคยพูดกันอยู่อย่างนี้ครูบาอาจารย์เคยสอนกันมาอย่างนี้เป็นจำนวนมากเมื่อได้สมาบัตแปดแล้วก็ยังไม่เป็นทางดับทุกข์เพราะว่าเห็นพวกปัญจวคีทั้งห้าทำเห็นด้วยตา บางครั้งบางข่าวก็ไม่พอใจบางครั้งบางข้าวก็พอใจเนื้อพวกบรญจาวัคคราะห์ต่างๆพูดคุยอะไรต่างๆบางครั้งบางข่าวได้ยินด้วยหูไม่พอใจก็มีหรือบางครั้งบางข้าวได้ยินด้วยหูพอใจก็มีนอกจากนั้นก็ยังคิดถึงทรัพสมบัติหรืออย่างที่บุตรของท่านคือลาภุญ หรือพูเป็นสาญาเรียกว่าภรรยาก็คือพิมพาก็ยังคิดสรุปขึ้นมาบางครั้งบางคราวอันนี้ก็แสดงว่าความพุกความเดือดร้อนสิ่งเหล่านี้ก็ยังมีเมื่อเป็นที่นก็ถามอาจารย์อาจารย์ก็หมดคมรู้ว่าไม่มีความรู้ที่ไหนจะมาสอนแล้วดังนั้นเมื่อในสมัยเรียนอยู่ที่นั้น พระองค์เนี่ยทำได้เหมือนกับอาจารย์เข้าซารออกสารได้เหมือนกันครูบาอาจารย์ทําอย่างไรได้ถ้า อ, องค์ก็ทำได้เหมือนกับอาจ า, ารย์ทุกแง่ทุกมุมร้องแพร่วงไว้ทาไดเ้เหมือนกันได้ว่าเข้าซารได้เร็วออกสารได้เร็วเหมือนกับอาจารย์นี่แสดงว่าอันนี้มีมาก่อนพุทธศาสนาแสดงว่าการสอนกันอย่างนี้ อันนี้บางคนนะครับผมเคยได้ยินว่าอันนี้เราเป็นสมมติทีว่าผมเห็นถูกต้องถ้าเห็นอย่างนี้ก็เห็นรู้จำรู้จักมาจากตำรับตำราหรือครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังยังไม่ใช่จัดเป็นการรู้แจ้งยังไม่รู้จริงเพราะเรียนมาจากตำรับตำราแม่พระองค์ก็เรียนมาจากครูอาจารย์เหล่านั้น เมื่อผู้เช่นนี้บุคคลผู้ที่มีปัญญาสามารถที่จะรู้ทันทีเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มีมาก่อนพระองค์แล้วรู้ได้อย่างนี้เข้าใจได้อันนั้นมันก็ดีอย่างหนึง่งแต่มันยังไม่ใช่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่มันสงเคราะห์เข้ากันได้เท่านั้นเองจากนั้นพระองค์ก็เดินไป กับพวกปัญจวัคคีทั้ง5้าได้ทําทุกการกิริยาอีกคือไม่กินข้าวไม่กินน้ํากั้นลมหายใจนี่ไม่พูดไม่คุยกับใครเดี๋ยว่า ก, กั้นพผะทนหรือกดผะทนเราเคยพูดกันตามตัวหนังสือและตามตํำรับตาําราเมื่อเราไปติดอยู่กับตํำรับตาําราพูดกับตัวหนังสือ มันก็เป็นเพียงรู้จำยังไม่ใช่เป็นรูแจ้งยังไม่ใช่เป็นรูจริงรูจํารู้จักมาจากตํำรับตําราเท่านั้นเรื่องนี้พระองค์ทํามาแล้วก็ยังไม่สําเร็จเรื่องดับทุกได้นี่แสดงว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นทิฏฐิคือความเห็นเพราะทิฏฐิของพระองค์ก็เป็นอย่างนั้น ก็ต้องทําอย่างนั้นอันวุนทิฐิจะเป็นสัมมาทิฐิก็ยังไม่ได้จะเป็นมิตราทิฏฐิก็ยังไม่ได้เพราะว่ายัางไม่รู้ยังไม่เข้าใจแต่เพียงว่ารู้แล้วก็ต้องทําคือเมื่อรู้ว่าทําอย่างนั้นคงจะเป็นอย่างนั้นอนวุทิฐิต้องทําทําถึงจนจะตายนี่พระ อ, องค์ ไม่กินข้าวไม่กินน้ํากั้นลมหายใจไม่พูดไม่พูดภาษาไทยเมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์ก็เลยเลิกละจากสิ่งเหล่านั้นเห็นว่าไม่เป็นทางดับทุกข์ใดแล้วก็มากินมากถามพ้อมากส้มหมอนี่ออกผลละไมเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกปัญจวคีต่างห้ากนเห็นพระ อ, องค์ทําอย่างนั้นก็เห็นว่าคงจะไม่สมําเร็จแล้วเลิกละหาจากความเพียรกับ เปียนมามากๆเสียแล้วพวกปัญจวัคคีท่างห้ากออกหนีไปพระองค์ก็เดินไปคนเดียวรับผลละไม้นึกกินผลละไมไปคนเดียวอันนี้เรียกว่าสงัดกายสงัดวาจาและจิตใจก็ยังนึกคิดอะไรต่างๆไปอันนี้ก็แสดงว่ากายกับวาจาสงัดแล้วเพราะอยู่คนเดียวแต่ส่วนจิตใจเรา มันไม่สงบสงัดได้เลยแม้คนเราจะไปทำกรรมฐานอยู่ในถ้ำในภูในป่าในดงที่ไหนก็ตามและอยู่คนเดียวก็ตามสำหรับจิตใจนั้นมันนึกมันคิดอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาในสมัยนั้นพระองค์ก็ยังไม่รู้เดินมากินข้าวนางสุดสดาเนี่ตอนนี้ คนมีปัญญาฟังรู้ได้ทันทีเว้นแต่คนที่ยังไม่มีปัญญายังไม่เคยเข้าใจก็ต้องฟังแล้วไม่รู้ไม่เข้าใจพอเราไปจาเอากับตำรับตำราฟังเรื่องตำรับตำลาผิดไปจากตำรับตาราไม่ได้นี่ว่าผิดแล้วเป็นมิตรสาธิติด เ, เ่เราไปเดาเอาไปนึกคิดเอาเองอันนั้น เมื่อพระองค์กินข้าวนางสุจดานี้พระองค์ถามนางสุจดาว่านางจะถวายตั้งแต่ข้าวหรือจะถวายทั้งหมดนางก็เลยบอกว่าถวายทั้งหมดไม่เอาอะไรคืนทั้งหมดยกให้ทั้งหมดเลยเมื่อพระองค์สั่นหรือว่ากินหรือว่ารับประทานจะพูดยังไงก็ได้เพราะมันเป็นเรื่องสมมุติพูดให้กันฟังเท่านั้นเมื่อ เสร็จแล้วก็จับเอาขันนั่นไปอธิษฐานตามริมแม่น้ำว่าถ้าข้าพระเจ้าจะได้ตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าข้ากิเลสตายขายกิเลสดบจริงๆแล้ววางขันใบนี้ลงไปให้มันควนกระแสของน้ำได้ขึ้นไปหาต้นน้ำที่มันออกมาที่แรกนุ่นละอย่างนั้นตรงกันข้ามถ้าหากว่าข้าพระเจ้าจะไม่ได้ตัดสรุป ฆ่ากิเลสไม่ตายขายกิเลสไม่หลุดไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าจริงๆแล้ววางขันใบนี้ลงไปในน้ำนี้ให้มันไหลลงไปตามกระแสของน้ำว่าอย่างนั้นก็เลยวางขันลงไปที่แม่น้ำขันก็เลยทวนกระแสของน้ำอันนี้คนผู้ที่ยังไม่เคยคิดก็นึกว่าเป็นน้ำจริงๆหรืออาจจะเป็นน้ำจริงๆก็ได้ หรือว่าจะเป็นขันจริงๆก็ได้หรือว่าอาจจะไม่เป็นขันจริงๆก็ได้เพราะมันเป็นเรื่องสมมติพูดขึ้นมาสำหรับผมเองที่แรกก็ได้ยินครูบาอาจารย์หรือพอ่อแม่ปูย่ย่าตายายเคยพูดให้ฟังอย่างนี้มาต่อเมื่อผมมามีความคิดแปลกๆใหม่ๆขึ้นมาจากภายในจิตใจแล้วอันที่พระองค์วางขันลงไปนั้น คือพระ อ, องค์วางตนวางตัวลงไปจริงๆมาประพึกปฏิบัติธรรมะจริงๆเราเคยได้ยินว่าพระ อ, องค์วางขันลงไปขันบนกระแสของน้านําพระ อ, องค์เลยขึ้นมานั่งอยู่ที่ต้นโพคําว่าต้นโพตัวนี้ก็หมายถึงจะเป็นต้นโพจริงๆก็ไม่ทราบหรือจะเป็นตัวของพระ อ, องค์ยังมีความสุขยังไม่มีความทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนอะไร ก็ขึ้นมาแล่มานั่งพิจารณาก็ได้หรือว่าจะเป็นต้นโพลมใหญ่จริงๆก็ได้คาว่าขันในที่นี้ตามความคิดของผมเป็นเพียงทิศผิจะผิดหรือถูกนั้นพวกท่านทั้งหลายผู้ฟังเอาไปพิจารณาเองขันก็หมายถึงขันห้าคือลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นี่เอง พระองค์จะทวนกระแสสิ่งเหล่านี้รูปได้แก่ร่างกายคือที่เป็นวัตถุมองเห็นด้วยตาจับถูกด้วยมือส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นั้นมองไม่เห็นด้วยตาจับไม่ถูกด้วยมือจะสัมผัสด้วยสติปัญญาเท่านั้นผมก็เลยคิดเอ่ยคำว่าขันนี่ก็หมายถึงพูดกันง่ายๆเรียกว่าอายตนะก็ได้ เป็นคนทุกคนต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจมีเหมือนกันจะเป็นคนสมัยนั้นกับคนสมัยนี้ก็ยังมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจเหมือนกันเมื่อจะเป็นคนสมัยยุคต่อไปข้างหน้าก็จะมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายเหมือนมีใจเหมือนกันกับคนสมัยนี้ คนสมัยโน้นคนสมัยนี้สมัยต่อไปนีออ้ก็จะมีเหมือนกันดังนั้นคาว่าขันนี่เราต้องพิจารณาให้แยกคายลงไปว่าการทวนกระแสของน้ำน้ำนั้นบางทีอาจจะเป็นกิเลสหรือเป็นความคิดคำว่ากิเลสเนี่ยมันเข้าใจยากอันความคิดแปลกแปล ก, ปลกที่มันซับ ซ่อนอยู่ภายในที่ลึกของหัวใจนั้นไม่เคยดูไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นสมมติฐานของความคิดอันนี้เมื่อพูดถึงสมตุติฐานและความคิดอันนี้เราเคยพูดกันว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจสีคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคเคยพูดกันอย่างนั้นทุก เป็นเหตุให้เกิดทุกข์รู้ศึกษาเห็นทุกข์จริงๆและต้นเหตุของทุกข์จริงๆแล้วหาวิธีดับทุกข์และวก็ดับทุกข์เป็นทางดับทุกข์ได้จริงๆนั้นอันนี้เราเคยเคยรู้กันมาเคยเรียนกันมามากแล้วก็ไปจับเอาหลักการนมาพูดมาทะเละาะกันบางคนก็ทุกเถียงกันจนหน้าดําหน้าแดงไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร คนนั้นก็ว่าทุกของสันคนนี้ก็ว่าถุกของสันเธอผิดสันถูกอันนี้ก็เป็นการคิดของเองเท่านั้นคือตัวเองเข้าใจอย่างไรก็ว่าถูกตามอุดมการ์ของตัวเองอย่างนั้นอันนี้ผมได้อ่านหนังสือกลมสูตรตัดไวสิบข้อกว่ายาเสือถือที่ได้ยินได้ฟังตาม เขาพูดกันมาว่าอย่างนั้นนักกระยาเสื้อถือที่เห็นเขาทําต า, ตามตามกันมาว่านั้นนักกระยาเสื้อถือว่าเขาเล่าลือพูดกันมาทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วว่าอย่างนั้นนักกระยาเสื้อถือที่อ้างว่ามีอยู่ในตํำรับตําลาอย่างนั้นอย่างนี้นักกระยาเสื้อถือเป็นการนึกเดาเอาเองคาดคิดเอาเองสิข้อไปดูเอาก็รู้ ท่านผู้ใครทําทั้งหลายหรือผู้มีจิตคิดถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วก็ต้องฟังด้วยสติปัญญาในขณะที่ผมพูดอยู่นี้เดี๋ยวนี้เนี่ท่านทั้งหลายเมื่อถามท่านทั้งหลายคงจะรู้บางคนบางค น, คนก็ยังไม่รู้เพราะว่าฟังแล้วก็บางคนก็ง่วงหลับง่วงนอน บางคนก็ตั้งใจฟังบางคนก็ฟังไปเพื่อจำเอาคำพูดบางคนก็ฟังแล้วดูพฤติกรรมเมื่อดูกิริยาท่าทางของการเคลื่อนไหวของรูปกายและจิตใจเข้าไปเพราะนิสัยคนมันไม่เหมือนกันคนใดฟังแล้วดูสิวิจิตใจของตัวเองก็มีอันนี้มเมื่อพูดจะไดกลัมาเตือนกันทำความเข้าใจกัน บางคนสมมุติให็ดฟังสมมุตินั้นนี้ไม่ใช่เป็นของจริงแต่ก็ยังสมมุติก็เป็นของจริงก็ยังสมมุติได้สมมุติข้าวข้าวเปลือกทุกเม็ดข้าวเปลือกทุกเม็ดแต่มันอ้วนมันเต็มมันสมบูรณ์ดีมันไม่จ่อยไม่ผอมเป็นข้าวที่สมบูรณ์จริงๆเอาไปลงดินมันงอกขึ้นมาเป็นเม็ดข้าวได้จริงๆเป็นเป็นต้นฟางขึ้นมาจริงๆ อันนี้แสดงว่าข้าวทุกเม็ดต้องงอกได้แต่เมื่อพูดเรื่องข้าวทุกเม็ดงอกได้ก็ไม่ต้องพูดไปเรื่องเอาไปลงในดินบัด น, นี้ผมจะอุปมาให้ฟังง่ายๆข้าวทุกเม็ดเราเอาไปข้าวลงสีลงงานลงสีข้าวเนี่ยบางเม็ดออกมาเป็นข้าวทีหนึ่ง บางเม็ดเป็นข้าวที่สองหักมาบางเม็ดเป็นข้าวที่สามหักสามบั้นสี่บั้นก็มีบางเม็ดเป็นข้าวปลายบางเม็ดเป็นลำเป็นแก่ออกไปก็มีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายคนที่ฟังด้วยสติปัญญาจริงๆแล้วอาจจะเป็นข้าวที่หนึ่งก็ได้คนที่ฟังไม่จริงอาจจะเป็นข้าวที่สองก็ได้ หรือเป็นข้าวที่สามก็ได้เป็นข้าวปลายก็ได้เพราะการฟังนั้นไม่เหมือนกันและสติปัญญาของคนก็ไม่เหมือนกันเป็นเช่นนี้เมือจะอุปมาให้ฟังอีกอย่างหนึง่งดอกไม้ทุกประเภทจะเป็นสีดำสีแดงสีขาวสีเหลืองสีอะไรก็ตา่างจะบานได้ต่อเมื่อแสงตะเวนหรือแสงพาธิตย์ ออกมาได้แลว้วบานได้ตามต้องการอันนี้ก็เป็นข้อประมาเหมือนกันเข้าที่ผมนํามาเล่านี่บางคนฟังแล้วใส้สติปัญญาสามารถที่จะรู้ได้เหมือนกันถ้าพูดอย่างนั้นผู้เช่นนี้แล้วจะหาว่าผมนี้ให้ามาพูดอย่างนี้แสดงตนเป็นผู้รู้เป็นผู้วิเศษเบื้ออย่างนั้นอย่างนี้อย่าเข้าใจอย่างนั้นคือนําความคิดเห็น ื่อความจริงมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าเราทุกคนมีความรักไขรและคิดถึงในการประพฤติปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคำว่าขันในที่นี้ก็หมายถึงขันห้าเส้นตาเห็นตามันไม่รู้งามไม่งามมันไม่รู้สกปรกมันไม่รู้ใจเป็นคนรู้ เราจะเห็นได้คนที่ตายหมดลมหายใจดับจิตลงไปแล้วยังมีตาเราไปจับดาวดวงตาคนที่ตายนั้นไม่เคยกระดุกกระดิกไม่เคยว่าเจ็บหรืออะไรไม่เคยพูดเลยแต่ก็ยังมีดวงตาอยู่เนี่ยเรียกว่าตาหมดวิญญาณวิญญาณไปลว่ารู้เมตนาไปลว่าสเสวยอารมณ์สัญญาไปว่าจําได้สังขารแปลงปรุง วิญญาณก็ไปว่ารู้เราพูดกันได้อย่างนี้แบบ น, นี้หูฟังเสียงหูมันไม่รู้แต่มันเป็นหน้าที่ของมันเท่านั้นเองเป็นหน้าที่ของหูฟังเสียงแต่ใจมันรู้ใจโน้นมันรู้เสียงเพราะเสียงไม่เพราะเนี่ยเราเข้าใจอย่างนั้นอันนี้เราไม่เคยมาทวนกระแสของนะกิเลสเ่านี้คือกิเลสเราเนี่ย บางครั้งบางคาพอใจบางครั้งบางคำาวไมันพอใจคําว่าใจนี่เราต้องพิจารณาด้วยสติปัญญาที่มันปรากฏขึ้นมานั้นเราก็เรวยกว่าใจของเราใจของเรานั้นมันไม่ใช่เป็นชีวิตของเราพูดอย่างนี้ก่อนฟังจริงๆด้วยสติปัญญานะคำว่าฟังจริงๆด้วยสติปัญญานั้นก็ต้องฟังด้วยความตั้งใจ ฟางเรื่องกลมห็นแจ้งต้องเห็นอย่างนี้ไม่ใช่เห็นสีแสงถีเทวดานรกสวรรค์อันนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งมันเป็นเรื่องนอกแนวเมื่อเรามองเรื่อนี้มันไม่เห็นมันไม่เป็นสั จ, จธรรมที่ผมพูดนี่พูดเรื่องสั จ, จธรรมสัจจะแล้วของจริงของแท้จะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้อย่างที่ท่านทั้งหลายฟังผมกําลังพูดอยู่เดี๋ยวนี้ ในขณะนี้นี่แหละใครมีผมโกรธแต่บางคนอาจจะว่าผมมีผมโกรธอย่างนั้นก็ได้แต่ความจริงแล้วความโกรธมันไม่ได้มีเลยความโลภไม่ได้มีเลยมีพ่อเราหลงผิดเท่านั้นแต่คนบางคนอาจจะเข้าใจว่าทำไมว่าไม่มีคมโกรธถ้าหากว่าพวกท่านทั้งหลายเข้าใจว่าท่านมีผมโกรธ ก็ต้องโกรธขึ้นมาดูที่ในขณะนี้ที่ผมพูดอยู่เดี๋ยวนี้นี่แหละโกรธไม่ได้เพราะมันไม่มีความโกรธนี่ในขณะที่มันโกรธขึ้นมานั้นเราไม่เคยดูชีวิตจิตใจของเราอันนี้เราคนหลงคนหลงชีวิตคนหลงจิตหลงใจเรื่อคนหลงโมหะคือคมหลงผิดอันนี้ให้เข้าใจอย่างนั้นถ้าพูดเรื่อง หูทิพตาทิพมันก็พูดได้คนบางคนถ้าว่าตาทิพต้องไปมองเห็นเลขบัตรเบอรอ์มองเห็นอะไรต่างๆที่นอกตัวไปอันนั้นเขาเรียกว่าตาทิพอีกแบบหนึง่งอันนั้นเป็นทิฐิคำว่าหูทิพก็หมายถึงคนพูดอยู่ที่ไหนฟังได้หรือคุยกับเทวดาได้คุยกับพระอินทพระพรมได้คุยกับผีได้เนี่ยคนมีหูทิพอย่างนั้น อันนั้นมันเป็นเรื่องของที่ไม่จริงไม่จังอะไระ่ะแต่นั่นกูจริงที่ผมพูดเนี่ยคนมีหูทิพมีตาทิพหมายถึงพูดแล้วรู้เรื่องพูดธรรมะให้ฟังรู้อันนั้นมันไม่เป็นธรรมะมันไม่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าพูดอย่างนั้นเป็นธรรมะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าหมายถึงหูทิพและตาทิพก็หมายถึงการแสดง ภายในจิตใจเห็นส่วนลึกของจิตใจที่ปรากฏขึ้นมานมอันนี้เป็นเรื่องตาทิพหูทิพย์ถ้าจะพูดเป็นมากมันก็เข้าไปเรื่อมมองไม่เห็นด้วยตานั่นเองมองไม่เห็นด้วยตานั่นเองดังนั้นขอให้พวกเราจงพยายามนึกคิดพิจารณาให้เข้าใจจากเหตแจ้งเรื่องนี้ ถ้าพวกเราไม่นึกไม่คิดไม่พิจะนานอย่างแจ่มแจ้งอรื่องนี้แล้วเราจะไม่เข้าใจจิตจิตเรื่องคำสอนขอ ง, ของพระพระเจ้าวิธีปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วจะเอาไปใช้กับการทำงานได้อย่างสบายสบายไม่ต้องดื่นไม่ต้องดิ้นรนวุ่นวายอะไรทั้งหมดที่ผมพูดนี้ คือส่วนลึกของชีวิตและจิตใจของเรานั้นมันเป็นปกติอยู่แล้วที่ผิดปกตินั้นมันไม่ใช่เป็นชีวิตไม่ใช่เป็นจิตใจของพวกเราส่วนลึกมันเป็นกิเลสมันเป็นมายามันคึกคักขึ้นมาเอาเองคนเดียวมันดังนั้นให้พวกเราเข้าใจอย่างแจ่งแจ้งถ้าพวกเราไม่เข้าใจอย่างนี้เราจะหลงผิด เราจะคึกคักเอาว่าเรารู้ธรรมะเราเห็นธรรมะเราเข้าใจธรรมะถ้าเราไม่พยายามจริงๆเราจะไม่เข้าใจเพราะคำพูดของพระพุทธเจ้ามันเป็นส่วนลึกแม่น้อยเดียวก็ตามแต่มันมาก ถึงจะมากเท่าไหร่ก็ตามมันน้อยที่สุดอย่างที่ผมพูดแล้วกับพวกท่านเมื่อกี้นี่วาใครมีความโกรธเดี๋ยวนี้เนี่ยในขณะนี้ที่ฟังผมพูดอยู่เนี่ยคงจะไม่มีใครโกรธีละใครมีความโลภไม่มีก็ฟังแล้วเสยเสยอยู่นั่นเองเสยเสยไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สุขไม่รู้ดีใจไม่รู้เสียใจฟังอยู่นะ่ะเสยเสอยู่เท่านั้นเอง อันนี้แสดงว่าสิ่งนี้มีอยู่ในคนทุกคนจะเป็นคนยุคสมัยพระพุทธเจ้ายังมีซีวิตอยู่ก็ต้องมีอย่างนี้หรือสมัยตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้ายังไม่ได้มาตับสรุป ก, ก็มีอย่างนี้หรือสมัยปัจจุบันของพวกเรายังมีซีวิตอยู่นี่ก็ต้องมีอย่างนี้เรื่องชีวิตจิตใจของคนเราหรือสมัยต่อไปเส้นลูกลูกหลาน เล้นหลอนของเราจะเกิดมาสุดท้ายภายหลังก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปอันนี้เรวัตสัตจธรรมไม่ว่าคนไทยคนจีนคนฝรั่งอังกฤษคนอเมริกาคนคำแหงคนยนุนคนลาวมีเหมือนกันอย่างนี้จะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ก็เป็นอย่างนี้อยู่ตลอดไปดังนั้น เนื่อว่าสัจจะสัจจะแล้วความจริงไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันมั่นคงทาวออยู่อย่างนี้ตลอดกาลดังนั้นเมื่อพูดถึงมั่นคงทาวรตลอดกาลแล้วก็ต้องพูดว่าสิ่งที่กำลังพวกท่านฟังผมพูดหรืออาตมาพูดเดี๋ยวนี้เนี่ยนี่เลยเป็นลูกตุ้มทวงไว้ไม่ให้เรา วิ่งเข้าไปหากองไฟมากหรือไม่ให้เราตายเร็วว่าอย่างนี้ก็ได้เพราะคนเราเมื่อมีความโกรธความโลภความหลงเต็มตัวอยู่มันตายเร็วเพราะมันมีแต่ความเดือดร้อนของบุญหวายถึงจะมีความโกรธความโลภความหลงอยู่แต่สิ่งนี้ก็ยังมีอยู่ในนั้นพอเดีความโกรธความโลภความหลงนั้นมันลดตัวลงไป อันสิ่งที่เป็นปกติอย่างที่พวกเรากําลังฟังผมหรืออาจมาพูดอยู่นี้อันนี้ดํำมีอยู่ตลอดกาลไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันจริงๆเรื่องนี้แต่เราไม่เคยมาสนใจกันที่ตรงนี้เราไปสนใจกันเรื่องทําบุญเรื่องรักษาศีลให้ทาน ทำสมถกรรมาฐานโดยเจริญนิพพานากรรมาฐานเนี่ยเราไปสนใจกันเรื่องจากนั้นแต่ความจริงแล้วคําพูดนั้นจะพูดอย่างไรก็าตามมีมากน้อยก็าตามหรืจะพูดมากๆก็าตามพูดน้อยๆก็าตามจะย่นย่อเข้ามาเรื่องชีวิตจิตใจเท่านั้นเพราะชีวิตทุกๆชีวิตเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดกาลมา แม้สัตว์โดยสารก็มีอย่างนี้มนุษย์ทุกเพศทุกวัยต้องเป็นอย่างนี้ดังนั้นสัตว์โดยสารนั้นไม่สามารถที่จะมีสติปัญญาเอาความปกติหรอชีวิตที่ไม่มีทุกนี้ไปใซ้ขับขางกับงานแต่มันก็มีอยู่เหมือนกันแต่มันมันไม่รู้เรื่องอันมนุษย์หรือคนธรรมดาสามัญอย่างพวกเรา ที่มีสติปัญญามาฟังผมพูดอยู่นขณะนะนี้นี่แหละสามารถที่จะอไปใช้ได้กับการทบงานทุกวิธีทางเพราะมนุษย์เป็นผู้มีจิตใจสูงมนุษย์แปลว่าผู้มีมันนะผู้ผู้มีจิตใจสูงและพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราก็เคยพูดเอาไว้ว่ามนุษย์สมบัต สวรรค์สมบัติและนิพพานก็เป็นสมบัติของมนุษย์นี่เองทนว่าอย่างแต่เราก็เลยมาทำบุญให้ทานรักษาศีลทำสมถะอมรมฐานหลังจากอ่านตายแล้วจึงเอาสวรรค์เอ า, านิพพานอันนี้แสดงว่าทิฏฐิคือความเห็นโดยว่าเราเห็นอย่างนั้น เราก็ต้องไม่เอาอย่างนั้นอันนี้มันไม่ใช่ตรงตามคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าเรื่องอดีตอนาคตนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนคือพระองค์สอนแต่เรื่องปัจจุบันมันสอนไมขณะ น, นี้เวลานี้เดี๋ยวนี้นี่แหละเราฟังอยู่ที่นี่แจิตใจเราเฉยๆไม่ทุกข์ไม่สุขทุกข์ก็ไม่มีสุขก็ไม่มีนี่ อันนี้เรียกว่าผู้มีปัญญาฟังแล้วเกิดปัญญาคึกคักขึ้นมารู้เพราะว่าพระองค์แสดงธรรมแล้วผู้มีปัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมว่าอย่างไรอันนี้ก็นําเรื่องมาพูดให้ฟังนี่ว่าสวรรค์อยู่ในอกันรกอยู่ที่ใจพระนิพพา น, านอยู่ที่ใจนี่พ่อแม่ปู่ย่าตายาวของเราเคยพูดให้ฟังว่าสวรรค์พออยู่ที่ตรงนี้ นั้นลกโอยที่ตรงนี้พระนิพพานโกยอยู่ที่ตรงนี้นนนนแล้วเราไปไปหาเอาที่ไหนตายแล้วมันจะเห็นอยู่ที่ไหนแล้วคนเราไปสนใจเรื่องวิญญมวิญญาณตายแล้วไปอย่างนั้นตายแล้วไปอย่างนี้ท่า น, นั้นพระองค์ไม่ได้อมาสอนพระองค์สอนให้เรารู้จักขณะที่มีอยู่และเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เรื่อง มนุษย์สมบัติเป็นสมบัติของเรามนุษย์เนี่ยเป็นสมบัติของมนุษย์จริงๆเป็นผู้มีมณนะเป็นผู้มีจิตใจสูงสิทสวรรค์สวรรค์ก็เป็นสมบัติของมนุษย์นี่เองนิพพานนิพพานก็เป็นสมบัติของมนุษย์นี่เองถ้าเราฟังอย่างนี้อาจจะเข้าใจได้ไง่ายๆเพราะคนใดฟังแล้วไม่มีทิฏฐิไม่มีมาณนะฟังด้วยสติปัญญาให้เป็นเข้าทีหนึ่งอย่าเป็นเข้าหาัก อย่าเป็นเข้าไปายอย่าเป็นลำอย่าเป็นแก่ฟังด้วยสติปัญญาอย่าไปพูดว่าคนนั้นพูดเพราะคนนี้นพูดไม่เพราะคนนั้นพูดผิดตำราคนนี้นพูดต้องอพูดได้ถูกต้องกับตำราอย่าไปคิดอย่างนั้นฟังเท่านั้นเองฟังอย่างไรเราจึงจะทำได้ด้วยความรวดเร็วเราก็ต้องใส้สติปัญญาเราเคยได้ยินไหม ในสมัยเมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ของเรายังมีชีวิตอยู่พระวัตรลิกไปอยู่กับพระพุทธเจ้าเป็นคนเป็นคนอุปถัมภ์ให้ความร่วมไมุ่่มมือพระองค์ทุกวิธีทางและอดสอบพระองค์มากรักใคร่กับพระองค์มากห่างไกลจากพระองค์ไม่ได้ต้องการอยากไปอยู่กับพระองค์อยากไปอยู่กับพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้ก็ได้ นี้พระองค์สอนให้ดูตัวเองดูจิตดูใจหรือว่าทำกรรมฐานจะพูดยังไงก็ได้เพราะว่ากรลิกไม่สนใจคือไปสนใจแต่เรื่องพระองค์เดินไปเดินมารูปสวยรูปงามของพระองค์เนี่ยไปสนใจแต่เรื่องพระองค์ไปสนใจเรื่องแต่เรื่องพระพุทธเจา้าอันนี้ก็เหมือนกันกันกบคนเราสมัยนี้ยุคนี้ปัจจุบันนี้ไปสนใจแต่เรื่องทำบุญ เรื่องให้ทานเรือรักษาสินหรือเรื่องตำลับตำลาเนี่ยไปสนใจอย่างนรเราไม่ได้มาสนใจที่ตัวชีวิตของเราจริงจริง mm hmm. เมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์ก็เลยโมกตานามนึกทำท่าทีโกรธให้พระวักกะลิกพระวักกะลิกก็เลยเสียใจพระองค์ไล่หนีไปจะไปตนเหวตายพระองค์ก็เลยเลงหยานเนี่ย ตอนนี้ว่าเลงงานนี่ก่อนเราก็ต้องเข้าใจนีคนมีปัญญาอันนี้เราว่าคนมีหูทิพย์มีตาทิพย์ใต้ที่ผมพูดเนี่ยพระองค์เลงงานทําไมก็มองดูพฤติกรรมของพระมรกลิกแสดงว่าไม่พอใจออกมาคนหนีคึกคักเดินออกไปจะไปหนีไปตายเรือจะไปตนเหวตายก็ย่างนไงไปตวนเหวตายก็ไปตนที่มืดนั่นเองเรียกว่าพระองค์พูดให้เราก็ไม่มีที่พึ่งพาอาศัย ก็จะหนีไปอยู่คนเดียวตายซะดีกว่าไม่มีที่พึ่งพระองค์ก็ถามพระวักกลิกว่าพระวักกลิกเธอมานี่เพื่อประโยชน์อะไรพระวักกลิกก็ตอบพระองค์ว่ามานี้เพื่อสอบพระองค์รักใครพระองค์อยากอยู่ใกล้สิกับพระองค์เธอเข้าใจว่าเราเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์ที่พระวักกลิกก็ตอบพระพุทธเจ้าว่าเข้าใจว่าอย่างนั้นเนี่ยเจ้าข่า หรือคาลับวันจะมีกระดาษวันนี้พระองค์ก็ถามพระวักกะลิกพระวักกลิกตายเป็นไม่ตายเป็นเมื่อตายเป็นเรื่องเน่าเป็นไหมเน่าเป็นเม็นเป็นไหมเหม็นเป็นเปรยเป็นเละไปเหมือนได้ไหมเป็นได้ตอบพระองค์บันนี้เราพู่พระวักกลิกว่าเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยตายเป็นไหมตายเป็นเน่าเป็นไม่เน่าเป็นเม็นเป็นไหมเม็นเป็นเปรยเละเป็นเหมือนกันกับพระวักกลิกไหม เหมือนกันถ้าหาเข้าใจอย่างนั้นอันนี้จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ทําไหเพราะว่ากะเล็กกว่าอ่าทําไมว่าเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะว่ากะเล็กเกิดมีความสนใจสงวนใจขึ้นมาตัวธรรมะตัวสัจธรรมนั้นมันไม่ได้เป็นอันนี้ตัวชีวิตจริงๆนั้นอ่ะคือมันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขไม่มีความเดือดร้อนมันเย็นอยู่อย่างนี้ตลอดกาล คือมันไม่มีทุกไม่มีสุขพวะว่กากษภรวกกะก็มีเช่นนี้ไหมมีแน่พวะว่กากพระวกกะกเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วทีนี้อันนี้แปลว่าผู้ฟังตั้งใจฟังฉะนั้นการฟังเทศฟังธรรมอะไรต่างๆนั้นเราต้องฟังด้วยสติปัญญาจริงๆ เมื่อเราไม่ฟังด้วยสติปัญญาแล้วเราจะไม่รู้เราจะไม่เข้าใจไม่แจ่มแจ้งพอดีพูดอย่างนั้นพระวักกลิกกลับเข้ามาดูสีวิตจิตใจของพระวัรกลิกความโกรธความเสีย อ, อกเสียใจนั้นมันเป็นทุกข์เพราะเราหลงสีวิตของเราพระวักกลิกก็เลยเกิดเข้าใจอย่างนั้นนี่ว่าได้เห็นพระพุทธเจ้าหรือว่าได้ดวงตาเห็นธรรมธรรมะกับพระพุทธเจ้าเป็นอันเดียวกัน เมื่อจะพูดถึงว่าชีวิตกับธรรมะก็เป็นอันเดียวกันเราเคยได้ยินไหมพระพุทธเจ้าพูดว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตัดต่อพระวรกลิกผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราจับโยกไก้จกับสายจีวรหรือจับนิ้วมือนิ้วเท้าเราอยู่ก็ไม่เห็นเราเพราะไม่เห็นธรรมคูณทั้งวรกลิกพกระวรกลิกก็เลยเข้าใจธรรมะเห็นธรรมะ เหมือนกันกับเห็นพระพุทธเจ้าหรือเหมือนกันกันกบพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้พอได้เพราะว่าคนในเห็นธรรมะแล้วก็เสมือนว่าเห็นพระพุทธเจ้าดังนั้นธรรมะกับพระพุทธเจ้านั้นเป็นอันเดียวกันเมื่อกับตัวชีวิตจริงๆนั่นแหละเป็นธรรมะเป็นพระพุทธเจ้ากันเดียวกันอย่างที่ท่านทั้งหลายนั่งฟังผมพูดในขณะนี้ก็คล้ายๆคือตัวชีวิตจริงๆนั่นแหะ มันไม่ทุกมันไม่สุขมันไม่เดือดร้อนมันไม่รู้อะไรเสียเลยแต่มันรู้เสยๆอย่างนั้นะอยู่ตลอดมาธรรมะอันนี้มีไหมบางคนอาจจะไม่เคยรู้บางคนผมพูดให้ฟังเลยจะรูโอ้สิ่งนี้มีอยู่ในคนทุกคนจริงๆจะเป็นคนไทยก็มีอย่างนี้จะเป็นคนฝรั่งก็มีอย่างนี้ จะเป็นคนจีนก็ต้องมีอย่างนี้อันสิ่งนี้แหละมันต้องมีอยู่ในคนพวกคนไม่ยกเว้นจะเป็นคนไทยคนจีนหรือเป็นคนรวยคนจนมีเหมือนกันทั้งหมดเลยเรื่องนี้มเมื่อพูดเช่นีก็แปลว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นพระพุทธเจ้าก็แปลว่าผู้นั้นเห็นธรรมอันธรรมะอันนี้แหละเราละเลยเฉยเมยเราไม่คํานึงไม่คํานวณ ถึงชีวิตจิตใจของเราเราเคยไปดูคนนั้นสวยคนนี้ไม่สวยไปดูลูบดูลางของคนนั้นคนนี้อย่างพระวจนะนั่นเองหรือบางคนก็ไปดูพวกเป็นคนรวยรยก็ไปดูรถยนต์รถยนต์ที่นั่นมันไม่สวยที่นั่นเป็นเปือเป้อนตมโคลนไปเ็จไปถูแตนเรื่องจิตใจไม่เคยมาดูมาแล ก, กทีเลยบางคนก็ไปดู ภรยาสามีที่เป็นคู่ครองกนะันบางคนได้บุตรได้หลานมันก็ไปดูลูกดูลานเกิดมาไม่เคยดูตัวชีวิตจิตใจของเราเกิดมาร้อยวันพันปีตายไปก็มีที่มีชีวิตอยู่ในขณะนี้ก็ยังมียังไม่เคยพูดกันเรื่องนี้แต่พูดกันเรื่ององื่นไม่เคยพูดกันเรื่องตัวชีวิตจริงๆอันนี้แหละ ที่พระองค์สอนเราและทุกคนต้องทําได้เมื่อพูดเช่นนี้อาตมาจะนําเรื่องที่พ่อของอาตมารหรือพ่อของผมพูดให้ฟังแต่เมื่อผมเป็นเด็กผมเป็นเด็กเด็กบ้านนอกพราผมไม่ได้ศึกษาเราเรียนหนังสือไทยผมเขียน่เต็กบ้านผมคือมันขาดการศึกษาเราเรียนเด็กบ้านนอกไม่มีโรงเรียน ผมไม่เคยเรียนหนังสือเมื่อผมพูดจะเถียงสมมติให้ฟังเท่านั้นดังนั้นพูดภาษ า, าการนี่ก็จึงไม่เพราะไม่ถูกตามตัวหนังสือที่ท่านเรียนมาเพราะผมพูดให้ฟังว่าพระพรุทธลูกอยู่ในโลกนี่แหละจากเมืองไทยก็ตามเมืองนอกเมืองนาที่ไหนก็ตามแหละ มีดวงจิตวิญญาณของพระพุทธเจ้าไปแทรกไปสิงอยู่เท่ากับมเมล็ดงาไว้อย่างมีดวงจิตวิญญาณพระพุทธเจ้าไปสิงไปแทรกอยู่เท่ากับมเมล็ดงาเมาื่อศาสนาหรือพุทธศาสานานี่แหละล่วงไปได้ 5,000 ปีแล้วจะเมื่ออยู่เจ็วันเจ็ดคืนไม่รู้ทิศทางไปไหนมาไหนไม่รู้ บิดามาดาไม่รู้กันเลยภรรยาสามีไม่รู้กันเลยมืดตุ๊บยืย น, นพอดีเป็นอย่างนั้น บ, บนัณฑิตบอกพระพุทธรูปนี่แหละอยู่ในโลกนี่นจะเหาะมาอยู่ที่ไหนก็เหาะมามารวมกันไปนรวมที่ไหนก็ไม่ทราบเนี่ยมันลืมเพราะเป็นเด็กท่านนั่งให้ฟังพอดีไปถึงที่แล้วก็รูปพระพุทธรูปจะสลายแตกโผล่ะะออกไปแตกปากออกไปอย่างนี้เนี่ย แะดวงจิตวิญญาณที่ขังอยู่ในตัวพระพุทธรูปนั้นจะมารวมตัวเข้าเป็นคนเป็นรูปเป็นวัตถุที่มองเห็นด้วยตาจับถูกด้วยมือแล้วไปมีจิตวิญญาณที่พระพุทธเจ้าน่มารวมตัวเข้าเป็นพระพุทธเจ้าแสดงธรรมะให้ฟังเจวันเจ็คืนคนใดได้ไดปฟังธรรมะในขณะที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมนั้นบางคนผู้มีปัญญา จะได้ดวงตาเห็นธรรมตามสาติปัญญาแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนจะได้ตัดสุรูเป็นพระอรหันต์นไปนิพพานพร้อมกันกับพระองค์ก็ได้อันนี้พอของผมเข้าใจอย่างอันนี้เป็นการรู้จํารู้จักมาเพราะว่าท่านก็เป็นนักบวชท่านก็คงจะได้เรียนมาอย่างนั้นครูบาอาจารย์ก็คงจะสอนอย่างนั้นแต่ผมไม่เข้าใจอย่าง แต่ก่อนผมเข้าใจอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ผมไม่พูดอย่างนั้นเสียแล้วอันตัวพระพุทธรูปน่ะคือคนทุกคนนี่แหละครับคนทุกคนที่นั่งฟังผมพูดอยู่เดี๋ยวนี้นี่แหละมีจิตวิญญาณที่สามารถทำให้เป็นพระเดียมผมขึ้นมาได้จริงๆเหมือนกันไม่มีใครมีน้อยมีมากไม่มีมีเหมือนกันเท่ากันแต่เรื่องสติปัญญานั้นไม่เหมือนกัน คนมีปัญญานั้นอาจจะรู้ได้เร็วคนไม่มีปัญญานั้นอาจจะรู้ได้ช้าการิดกันอย่างน้ดังนั้นที่ผมพูดว่าให้เป็นข้าวทีหนึ่งอย่าเป็นข้าวทีสองถ้าใครเป็นข้าวทีหนงนั้นก็จะมีราคารู้ได้เร็วถ้าใครเป็นข้าวทีสองก็รู้ได้ช้าไปหรือบางคนเป็นข้าวปลายเป็นแ ก, ก่เป็นลำไปก็มีมันไม่เหมือนกันเราเคยได้ยินไหม สมัยพระอาัาสสชิไปพบเอากับพระสิบุตรในสมัยนั้นสาริบุตรนี่ยังเป็นพรามยังไม่ได้บวชยังไปอยู่กับพวกเย า, าอาจารย์สนใจไปเรียนอยู่ที่นั้นเป็นเวลาซาานานมาหลายปีพอดีเจอเข้ากับพระอาาัสสชิดูรูปร่างลักษณะสันฐานการพูดจาปราไซ ไปไหนมาไหนดูเพราะซอกใจก็เลยตามไปถามตามไปถามพระอ า, ศ า, ศาสสิพระอาสสิก็บอกว่าเราเป็นผู้บวชใหม่เราไม่มีควมรู้ถามพระอ า, าสสิพระสานีบุตรไม่ตอบว่าเราเรียนมามากและมีคมรู้มากแล้วแต่ไม่ต้องพูดมากพูดน้อยน้อยว่าอย่างวันนี้พระอาสสิก็เลยบอกว่า ถ้าจะพูดเป็นภาษาบาลีมันก็พูดอย่างหนึ่งพูดเป็นภาษาไทยเราก็จะพูดอย่างหนึ่งพูดเป็นภาษาบาลีนั้นที่ได้เรียนมาจากครูบาอาจารย์สอนให้ว่าเยธรรมาเหตุปภพวาเตสังเหตุตรงตถาคโตเตสัจะโยนิโรโทรจะเอวังวะทีมาหาสมนโนรูปอย่างนี้พระสารีบุตรเนี่ยเมื่อเป็นโยมเข้าใจแล้ว เพราะเป็นภาษาบาลีคนอินเดียฟังกันรู้เรื่องมต่พูดเป็นภาษาบาลีให้คนไทยฟังจะรู้เรื่องไหมเดี๋ยวนี้ผู้ที่เรียนฟังผมพูดอยู่นี้อา จ, จะรู้คนที่ไม่เคยเรียนหนังสือจะรู้ไม่ไม่รู้เพราะไม่เป็นภาษาไทยเนี่ยแต่ผมพูดในภาษาที่ผมพูดในบางคนฟังแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจก็ได้ว่าทำทั้งหลายเกิดไต่เหตุ ทำทั้งหลายจัดสิ้นก็เพราะเหตุทำทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะเหตุก็เพราะคนมันมีกายกับใจมันมีกายกับใจเรากำมาดูถึงลูกกายเนี่ยมันทำอะไรได้แต่มันทำไปตามอำนาจของจิตใจจิตใจนั้นมันมีสองประเภทประเภทหนึ่งความร้อนหลดดังนั้นคนเราต้องอาศัยสติปัญญา และก็ควบคุมสติปัญญาให้อยู่ได้คนเราขาดสติขาดปัญญาแล้วทําอะไรพูดอะไรคิดอะไรแล้วจะไปตามอารมณ์แต่ว่าอารมณ์สติปัญญานั้นเส้นคนทําสวนก็มีสติปัญญาทําสวนคนทํานาก็มีสติปัญญาทํานาหรือคนซื้อคนขายอะไรทั้งหมดเลยมีสติปัญญาอย่างนั้นทั้งหมด แต่สติปัญญาอันนั้นมันมีอยู่ทุกคนด้กันเราต้องอาศัยสติปัญญาที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไปมาควบคุมสิ่งนั้นอีกข้างหนึง่งคือจิตใจมันคิดขึ้นมาวูบขึ้นนี่อันนี้เรียกว่าสติปัญญามาควบคุมอันนี้ไว้อีกข้างหนึง่งวิธีปฏิบัติธรรมเอาไปใช้กับการกับงานมันคิดขึ้นมาเราเห็นเรารู้เราเข้าใจอันนี้นแล้วควบคุม คือความคิดมันคิดขึ้นมาลอยๆอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึง่งมันคิดแล้วก็เราทำไปทำไปตามอารมณ์อันนั้นพระพุทธเจ้าบอกคนทำไปด้วยทุกคนเหล่านั้นจังว่าอยู่ด้วยทุกกินด้วยทุกนั่งด้วยทุกนอนด้วยทุกไปไหนมาไหนไปด้วยทุกท่านนั้นไม่ได้ไปด้วยสติปัญญาเลยบางคนไปดูนะ่ะเมื่อเขามีรูปภาพออกมาแล้วถูกใจ หัวเราะร้องไห้ก็มีนะบางคนเนี่ยทำไปด้วยทุกข์อันนั้นเป็นลักษณะของคนลืมตัวไม่ใช่คนมีสติปัญญาก็มีสติปัญญาแบบนั้นแหละหัวเราะเป็นทุกอย่างหนึ่งร้องไห้เป็นทุกอย่างหนึ่งเราไม่เข้าใจอย่างนี้บางคนไปฟังลำเรือฟังมโหสพอะไรก็ตามเนี่ยไปดูมโหสถครบนานอนะไรก็ตามไปด้วยความทุกข์ทั้งนั้น ไม่ได้ไปด้วยสติปัญญาเลยถ้าหากคนไปด้วยสติปัญญาฟังดูด้วยสติปัญญามันเกิดมีอคมคิดขึ้นมาได้อย่างที่สาธุบุตรโมคคลาสมัยนั้นไปดูหนังด้วยอนกันไปดูหนังทุกวันทุกวันอยู่แล้วก็นานแล้วก็ไม่เห็นมีผมคิดไม่เห็นมีสติปัญญาอะไรก็เลยส่วนกันหนีจากอาจารย์นี่ผู้ฟังมีปัญญาเข้าใจทันทีเรื่องนี้ เนี่ยว่ะมีมีตาทิพปปย์วิญญาณก็ได้มีหูทิพย์วิญญาณก็กได้เพราะว่ามันคําว่าตาทิพย์หูทิพย์หมายถึงการเป็นทิพย์คือมันเต็มมันเต็มเนี่ยว่สร้างสมอบรมบาลมีวิญญาณก็กได้เมื่อพูดถึงสร้างสมอบรมบาลมีนี้ก็อยากจะพูดบาลมีอีกสักเรื่องหนึ่งให้ฟังเพราะว่าคนเรานัณกว่า พระพุทธเจ้าได้สร้างสมอบรวมวานามีมาแล้วหลายกับหลายกันเดี๋ยวซี่อาสงไขยกำไรแสนมหากับจึงได้ตัดสรลูกเป็นพระพุทธเจ้าคนมันชอบพูอย่างนี้มากแต่ก็จริงไม่ใช่ว่ามันไม่จริงเราจะไปทำอย่างพระพุทธเจ้าเพราะเราไม่ได้ปัถนาเป็นพระพุทธเจ้าเราเพียงเอาแก้ทุกเท่านั้นเพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอาดีต อนาคตนั้นยาคํานึ่งคำห น, นึอ่อดีตที่ผ่านไปแล้วจะแก้ไขไม่ได้อนาคตที่ยังไม่มาถึงนั้นจะมาบั่นบั่นาลให้เราไม่ได้เราต้องแก้ปัญหาที่มันมีอยู่ในสะท้อหน้าที่มันมีอยู่ในปัจจุบันนี้ท่านสอนเรื่องนี้คําว่าบาลามีนี่ยสมมุติคนจะปลูกบ้านแปลงเรือนเึืขึ้นบ้านใหม่พอตามหาลึก ง, งามยามดีมันเข้าใจอย่าง คำว่าบาละมีนี่หมายถึงพร้อมเพียงพร้อมแล้วปาละแบบพร้อมไม่ได้แปลตามตัวหนังสือนะผมพูดไี่พูดตามคมเห็นนะพูดตามทิฏฐิความเห็นผมเป็นอย่างนี้แต่จะเป็นสัมมาทิฏฐิหรือเป็นมิทธทิฏฐินั้นพวกท่านต้องเข้าใจเอาเองแต่ผมแบบมีทิฏฐิผมเป็นอย่างนี้ปาละแต่พร้อมเพียงมีแล้วเส้นเราจะปลูกบ้านมีอุปกรณ์ครบสมบูรณ์แล้ว ถ้าหากมีคนมาพร้อมแล้วยกเขาขึ้นทึบทีเดียวตั้งได้ถ้าคนเดียวยกไม่ได้เนี่มีอุปกรณ์เข้ามามีตะปูมีไม้มีเครื่องอะไรนอดอะไรมามีครบแล้วทำเป็นบ้าน้็ได้ขันใดพวกท่านมาฟังธรรมะอยู่ในขณะนี้ก็ขายขายเหมือนกันมีศรัทธาแล้วมีสติปัญญา เคยอบรมเคยได้ยินได้ฟังมามากพอสมควรแล้วฟังแล้วใส่ได้ทันทีอันนี้เดี๋ยป่าละมีฟังนะเดี๋ยพร้อมมีคือมีแล้วมีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วนี่ก็มีแล้วที่ปกติอยู่ภายในจิตใจของพวกท่านก็มีเหมือนกันนี่มีอยู่ภายในจิตใจของคุณทุกคนมีเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวป่าละมีถ้าฟังอย่างนี้บางคนผิดจากตำราแล้ว เป็นมิจาทิฏฐิและอันนั้นก็เป็นควาเห็นของบุคคลผู้เจตนานั่นแล้วนี่ผมพูดนี่ผมพูดไปตามอุดมการณ์ดังนั้นจึงว่า ก, การปฏิบัติธรรมะนั้นจะอยู่ที่ไหนไปไหนมาไหนก็ปฏิบัติธรรมได้ตัวธรรมะนั้นเราเข้าใจกาคงจะเป็นตัวหนังสือหรือจะเป็นอะไรก็ไม่รู้หรือจะห่ะมาหรือเป็นเทวดาห่อมาเนี่ยเข้าใจธรรมะไปอยูธรรมะคือตัวคนนี่เองธรรมะมีสองประเภท คือทำด้วยกายอันหนึง่งทําด้วยใจทําด้วยวาจากายกับวาจาเนี่ยมันมาจากใจใจมันทําแล้วมันสั่งให้กายและวาจาทําตามไปส่วนใจนั้นมันเป็นอันเดียวส่วนกายกับวาจาเนี่ยมันเป็นสองอย่างดังนั้นทําด้วยกายทําด้วยวาจาอันใจนั้นมันทําพร้อมทุกขณะทีเดียวนี่เราให้เขาเจอธรรมะคือคน คนทุกคนนั่นแหละเป็นธรรมะทำดีเรียกว่ากุศลธรรมเมืยกว่าทำเป็นกุศลทำั้วลงไปพูด้ั้วนลงไปเนี่ทำเป็นอกุศลเป็นอกุศลเนี่ยว่าเป็นบาปเป็นกรรมเป็นทำไม่ดีเนี่ยกุศลธรรมมาเรีย่าเป็นกุศลอกุศลธรรมมาเรียกเป็นอกุศลอะยญากตาแบบนี้เนี่ยทำไม่ดีทำไม่ั้วนทำเป็นกลาง ฟังแล้วคนมีปัญญารู้แต่ไม่ต้องแปลกับตัวหนังสือที่ผมพูดนี่เดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายฟังผมหรืออาตมาพูดเนี่ยนี่เดี๋ยวเป็นอภิญญาการตาทำคือทําอันนี้ไม่ดีไม่ชั่วฟังเนื้อเสยๆเพราะมันเสยๆอยู่อย่างนี้เดี๋เป็นอภิญญาการตาทำที่ว่าเนื้อดีเหนือชัว่วคําว่านิพานนิพานานี่เราเข้าใจกันตามตัวหนังสือ นึกว่าเป็นบ้านเป็นเมืองอยู่ที่ไหนไม่ทราบริงเราเคยได้ยินไหมเรายืนคำพูดของคนอินเดียมาพูดเรื่องวันนิพพานนี้ในประเทศอินเดียนั้นเมื่อเขาทำครัวทาอาหารร้อนๆปรุงมาแล้วลูกจะไปกินหรือจะไปรับประทานผู้เป็นบิดามารดาก็ห้ามไว้ว่าจะไปกินนะลูก หรือว่าน้องหรือว่าใครๆก็ตามแล้วมันยังไม่นิพานยางร้อนเนี่ยให้มันนิพานแล้วจริงกินคำว่านิพานก็หมายถึงความเย็นความไม่ทุกข์ความไม่สุขคือความเสยๆ อ, อ, อย่างที่ชีวิตของเราเ๋ยวนี้นี่แหละเราก็เลยไปห า, น, านิพานคาว่านิพานหมายถึงความเย็นคือความไม่มีทุกข์นั่นเองอันนี้เราไปเรียนตามตัวหนังสือต้องแต่ อันนั้นก็ดีไม่ใช่ว่ามันไม่ดีแต่ว่าผมพูดนี้ไม่ต้องแตกกับตัวหนังสือคำว่า น, นิพานก็หมายถึงว่าปกติปกติมันเป็นอย่างนี้ตัวชีวิตจิตใจของทุกคนเป็นอย่างนี้ถ้าผิดปกติไปจากนี้นั้นเรียกว่ามืดสีขาวมืดสีดำคันท้าวาพูดถึงมืดสีขาวมืดสีดำนี่บางคนอาจจะไม่รู้มืดสีขาวเพราะติดดี ติดการทำดีการพูดดีการคิดดีติดแล้วมีคนมายกย่องแล้วก็หวัวเลาะแหนบบัด น, นี้มือสีดำมีคนมาตำหนิว่ากล่าวตักเตือนเล็กๆ น, น้อยๆเกิดไม่พอใจสแสดงความโกรธออกมาแล้วแดงขึ้นมาพูดอะไรอะไรขึ้นมาด้วยความร้อนแหนบอันนี้แหละเมื่อเรามาพิจนารณาแล้วเข้าใจทันที ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราทุกคนออกไปใซ่ได้เรื่องธรรมะเนื้องอพยก a k ธรรมคาว่าอพย j ก k a r แปลว่าไม่เป็นของใครไม่ดีไม่ชั่วดังนั้นเราเคยได้ยินว่าพระอริยบุคคลหรือพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าเคยพูดอย่างนั้นแต่ผมก็ได้ยินมาจากตำลาก็รู้จำมาำำำำรู้จำรู้จักรู้แจ้งรู้จริง พระอรหันต์ทำบุญไม่เป็นบุญทำบาปไม่เป็นบาปทำดีไม่ดีทำซั่วไม่ซั่วไม่เป็นดีไม่เป็นซั่ว